จุนสังเกตไหมสัดส่วนคนที่มาวันนี้นะอายุน้อย <c oughs> คนแก่ก็มีกันนะแต่นานๆาามีบันทีไม่ค่อยมี อ, <c oughs> อาจจะเพราะหลวงพ่อพูดกับคนแก่ไม่รู้เรื่องก็ได้ถ้าเคยชินแต่ว่าจะฟังเทศช้าๆนะพูดไม่เป็น <c oughs> ให้โจ๊กหายไปนาน ดูสิมีแต่เด็กๆมีแต่นะมีแต่กำลังแรงงานดีนะเราศึกษาธรรมะตั้งแต่อายุขนาดเนี้ยดีแล้วแก่แล้วเรียนยากนะยิ่งแก่ยิ่งศึกษายากขึ้นยากขึ้นให้เดินจงกรมก็เดินไม่ไหวนั่งนานก็เมื่อยทำอะไรไม่ได้สักอย่างแก่แล้วลำบากนี่คนส่วนใหญ่เขาลงอยู่กับโลก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 ปรสบความสําเร็จในทางโลกแล้วเห็นความไร้สาระของโลกนะฮะเห็นความไม่มีสาระแก่นสารของโลกบางคนเป็นกษัตริย์เป็นอะไรนะอยู่เป็นกษัตริย์แล้วรู้สึกว่าเคนเขาแย่งตําแหน่งกันนะเป็นกษัตริย์ไม่เห็นมีความสุขเลยจะกินข้าวกลัวเพราะวางยาพิษจะนอนกน็นอนไม่สบายนะต้องหาคนมาล้อมไว้พอท่านมาบวชท่านบอกท่านอยู่ในป่าท่านก็นอนหลับสบาย จะฉันข้านะบินทบาลมาได้เลยฉันเนี่ยไม่กลัวยาพิษแล้วเงี้นคนที่มาศึกษาธรรมะรุ่นแรกๆที่เป็นกําลังหลักเนี่ยเป็นชนชั้นนนะประสบความสําเร็จทางโลกเต็มเต็มอิ่มแล้วนะแล้วก็มาศึกษาธรรมะเราอิ่มทางโลกเราเข้าใจโลกดีแล้วเนี่ยการปฏิบัติจะไม่ยากนักนะบางคนรีบไปบวชนะอายุน้อย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 ธรรมะไม่ใช่ของพระธรรมะไม่ใช่ของนักบวชธรรมะเป็นของกลางๆใครศึกษาคนนั้นก็ได้ประโยชน์ศึกษาธรรมะเราศึกษาเรื่องศีลเรื่องจิตเรื่องปัญญาสามเรื่องนี้ศีลศิกษาจิตสิกษาปัญญาศิกษาเป็นฆราวาสก็ศึกษาได้เป็นฆราวาสก็ศึกษาศีลของฆราวาสศีลทําไมต้องศึกษาไปขอจากพระเฉยๆไม่ได้หรือไม่ได้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 เราจะละอายใจถ้าจะทำตามกิเลสแล้วเราเกรงกลัวผลของการทำชั่วเราไม่อยากทำชั่วศีลมันจะอัตโนมัติขึ้นมางั้นศีลสิขานี่เราจะเรียนจนเกิดศีลอัตโนมัตินะเพราะเรามีสตินั่นเองจิตศิขาเราจะเรียนเรื่องจิตนะไม่ใช่เรื่องสมาธินะเราจะเรียนเรื่องจิตแต่เมื่อเรียนเรื่องจิตเต็มที่แล้วเข้าใจจิตแจ่มแจ้งแล้วเราจะได้จิตที่มีสัมมาสมาธิ จิตที่มีความตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองนะไม่ใช่เรียนจิตสิกขาคือนั่งสมาธินะตื้นไปจิตสิกขามีสองแนวทางจิตสิกขาของพวกสมถายานิกนี่เป็นเรื่องการทำฌานต้องเรียนเรื่องการนั่งสมาธิการทำฌานทำยังไงไม่เป็นมิจฉาสมาธิส่วนใหญ่ที่พวกเราทำเป็นมิจฉาสมาธินะพวกที่ว่าฝึกสมาธินั่งแล้วเคลิมงองแงงองแงนั่งแล้วเห็นโน่นเห็นนี่ น, นี่เรื่องมิจฉาสมาธิอย่างนั้นเ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 คนที่ภาวนากับหลวงพ่อแล้วภาวนามาถึงจุดนี้เนี่ยนับไม่ถูกแล้วนะจํานวนมากมายเยอะแยะไปหมดแล้วนั่งอยู่เฉยๆนะความสุขก็เฉยแผ่วขึ้นมาเฉยเพราะอะไรเพราะจิตมีสติทันทีที่มีสติจิตเป็นกุศลทันทีที่จิตเป็นกุศลจิตมีความสุขจิตเกิดสมนัตเมตนามีความสุขเฉยขึ้นมาบางทีก็เป็นอุเบกขาเวทนาเป็นกลางแต่กลางแบบนุ่มนวลอ่อนโยนไม่ใช่กลางแบบแข็งกระด้าง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 นั่นเรื่องของสมถาทั้งหมดเลยนั่จิตศิกขาจำเป็นนะต้องเรียนจกนกระทั่งจิตของเราตื่นขึ้นมาได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นบางคนทดสอบว่าตัวเองตื่นหรือไม่ตื่นด้วยการมาขออยู่วัดบางคนไม่ได้อยากอยู่จริงนะแต่เจ้าเล่ <c oughs> <c oughs> นึกว่าไม่รู้ทันนะ <c oughs> ไปท้าทายกับเพื่อนมาว่าชั้นตื่นหรื อ, อยังมีทีพิสูจน์ก็คือมาขอหลวงพ่อถ้าหลวงพ่ออนุ ญ, ญาตให้อยู่วัดแสดงว่าตื่นแล้ว มีนะมีเรื่อยๆอ่ะพอถึงเวลาจะมาอยู่จริงก็จะยกเลิกไม่กล้ามาหรอกกลัวผี <c oughs> กลัวทำไมผีเนาะ <c oughs> วัดหลกงพ่อโล่งๆอย่างกลัวผีพี่อยู่ที่ไหนได้แต่เราก็นึกเอาเองนะว่าผีต้องอยู่ที่ทึบๆอะ่ะ <c oughs>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 แถวหน้านี้เห็นเกือบหมดหนะเหลืออยู่สองสามคนเห็นได้ไม่ได้ยากอะไรเบอร์สี่สิบสี่ไม่เห็นล้วเบอร์สิบสี่หลงไปและ้ะหลงไปในโลกของความคิดใจมันหนีไปเบอร์หกสิบเจ็ดขาสติและ้ะมีปิติรู้ว่ามีปิติอย่าไปฝืนมันมีปิติให้รู้ว่ามีปิติเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ไปแกล้งมันไม่ไปดัดแปลงเราไม่ได้ฝึกเพื่อเก็บกด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 จะเห็นเองอย่งกุญกบก็เห็นได้หมดทุกตัวที่หลวงพ่อบอกนี่แหลนะเห็นได้เบอร์สิบเอ็ก็เห็นได้นะเห็นได้เยอะแยะเนี่ยสามแถวแรกนี่เห็นได้เยอะนะแถวที่สี่ด้วยเดี๋ยวเสียใจคุณ <c oughs> <c oughs> เสื้อเหลืองก็ได้เหดือนกันเลยเดี๋ยวจะเสียใจ <c oughs> จริงๆได้เยอะนะได้หมอรังสรรคก็พอเห็นแล้วแต่หมอรังสรรค์ติดมิจฉาสมาธิเยอะไปนิดหนะึ่งแข็งเกินไป เบอร์แปดสบห้า hmm. ก็ใช้ได้แล้วนะแอย่าท้อแท้อย่าซึมลงไปรู้สึกขึ้นมา mm hmm. รู้สึกไหมสายตาหลวงพ่อกวาดไปทางไหนทางนั้นเริ่มเกร็งแล้วะ mm hmm. <laughs> เริ่มเกร็งๆนะคอ <laughs> ยรู้สึกเนี่ยเบอร์หกสิบเอ็ดเกร็งเลยเห็นไหมป mm hmm. ระสบตากันติ้งนะตัวแข็งขึ้นมาคล้ายๆหลวงพ่อเป็นแม่มดเมดูซ่าใครมองตาแล้วตัวแข็งเบอร์หกสิบแปดใจลอยไปแล้ว ใจหนีไปแล้วนะเบอร์สามสิบเก้ารู้สึกไหมตื่นเต้นเออเนี่ยใจมันตื่นเต้นขึ้นมารู้ว่าตื่นเตน้นะใจเป็นไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้ลงไปเรื่อยๆนะนี่เรากําลังหัดดูของจริงในตัวเองแล้วนะเบอร์หกสิบเ็ดรู้สึกไหมชัดเครียดไปคมมันลนะเบอร์สิบเอ็ดใจลอยเบอร์สิบเอ็ดนึกออกไหมว่านี่เป็นเบอร์สิบเอ็ด <laughs> มันลอยไม่เลิกเ <c oughs> ออแม่ชีดีแล้วนะแม่ชีดีใจด้วยนู่นหลานหนูนานั้นก็ดีละเก่งใช้ได้แล้วนะลองไปได้คนเนี้ยังเพ่งมากไปนิดนึง <c oughs> นี่นี่เลยเพ่งอีกแล้แต่สังเกตไหมเพ่งไปอย่างนั้นอะเพ่งที่เปลือกเปลือกใจสบาย เนี่ยลูกเล่นการเพ่งไม่เหมือนกันนะแต่ละคนนะ่ะวางจิตวางน้ำหนักอะไรไม่เหมือนกันแต่ละคนเดอดสามตีแปดใจลอยไปแล้วนี่ทุบ จ, จะบวชภาคคนนี้ใช่ไหมที่ว่าจะบวชหรือ่าคนนี้ อ, อ๋อนี่เออใช่ว่าจะไปบวชกับท่านจันตันก็ดียังไม่พร้อมนะให้พร้อมก่อนบวชถ้าบวชไม่มีกำหนดนี่ไม่ใช่เรื่องเล่ น, เ ล, นเลยนะกิเลสมันจะรุนแรง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 เกิดศรัทธาไปบวชบวชวันหนึ่งอยากฉันข้าเหนียวตัวดำนะฉันไปบินทบารนะไม่ได้สักทีเลยวันหนึ่งเห็นมีข้าเหนียวตัวดำเดินไปอ้าวมาหมดที่องค์ข้างหน้าเราอันี้ได้อีกน้าเลยเจออีกแล้วดีใจคราวนี้ลงในบาทเลยคนใส่ข้าเหนียวตัวดำเข้าบาทมาแล้วดีใจนะกลับมาถึงวดัดธรรมดาวัดป่าเนี่ยเทอาหารรวมกัน อ้ต้องเทเข้าวเหนียวถั่วดำลงไปนะพอถึงเวลายกอย่างที่พวกเราเห็นตลงพ่อทาอย่างเนี้ยปลาหัวแถวท่านก็หยิบก่อนท่านคงอยากฉันเหมือนกันน่ะเห็นไหมโอ้วันนั้นนะขนาดข้าวเหนียวถั่วดำลงบาทแล้วยังไม่ได้ฉันเลยลังคืนร้องไห้เลยสงสารตัวเองว่าโอ้เราเป็นลูกเศรษฐีนะทำไมข้าวเหนียวตอนนั้นห่อละสามบาททาไมอยากฉันเท่านี้ไม่ได้ฉัน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 เมื่อกายมันไม่ใช่ตัวเราแล้วใครจะเป็นผู้ทุกข์ใครทุกข์ก็ช่างมันไปะไลไม่ใช่เราทุกข์ละความทุกข์มันจะเข้ามาไม่ถึงใจละ้ะฉะนั้นภาวนาถึงจุดที่ปล่อยวางความยึดถือจิตเนี่ยโอ้โหอัศาจรรย์นะเหมือนโลกจะถล่มเลยจิตใจเราพลิกไปเหมือนโลกนี้เปลี่ยนแปลงหลังจานั้นไม่มีเหมือนเดิมอีกแล้วมีแต่ความสุขล้วนๆเนยคราว น, านี้มีความสุขมีความสงบล้วนๆเลย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 ในพวกหนุ่มๆทั้งหลายนะจะแต่งงานก็คิดหน้าคิดหลังไปสัมภาษณ์พวกที่แต่งแล้วนะ <c oughs> สาวๆก็เหมือนกันแหละสาวๆก็อย่างโง่นะคิดว่าแต่งงานแล้วจะสามารถเปลี่ยนผู้ชายได้ผู้หญิงอะชอบคิดเพ้อฝันเห็นนิสัยที่ไม่ดีของแฟนนะรู้ว่านิสัยไม่ดีเรื่องนี้เรื่องนี้กล่าวว่าเดี๋ยวแต่งด้วยกันแล้วจะไปเปลี่ยนเขาได้เปลี่ยนไม่ได้หรอกนี่เป็นความหวังที่เข้าใจผิดผู้ชายไม่เปลี่ยนหรอก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 มันหมดภาระทุกวันนี้เรามีภาระมากเลยเพราะว่าเรารักกายรักใจสังเกตดูแค่รักกายเราก็เหนื่อยแทบตายแล้วนะตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยปรนนิบัติมันเท่าไหร่วันหนึ่งเนไหมดูซิมีผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับเส้นผมบ้างมีผลิตภัณฑ์อะไรเกี่ยวกับหนังศีรษะบ้างเห็นไหมเกี่ยวกับตาเกี่ยวกับขนคิ้วขนตาเห็นไหมมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะเห็นไหมตั้งแต่หัวถึงเท้าดูซิจนถึงครีมส้นเท้าแตก ทำไงเล็บเท้าจะสวยเนอะโอต้องโอบมันมากเลยนะต้องดูแลประกอบสงบ ม, มากเลยทำไมต้องไปโอบต้องเอาใจร่างกายนี้มากเพราะเรารักมันพาเรารักมันมากเลยทำงานเหนื่อยแทบตายเลยเปลนปลอมันนะดูแลมันอย่างดีเลยแล้วมันทรยศนะเลี้ยงอย่างดีเลยถึงวันหนึ่งมันตายทิ้งเฉยๆฉยงั้แหละ <laughs> เลี้ยงมันทาไมเดี๋ยวมันก็ทิ้งเราไปแล้ว แค่ดูแลมันเอาไว้ใช้งานเนี่ยต้องฉลาดนะไม่ใช่ไม่ดูแลดูแลเอาไว้ทำประโยชน์สำหรับตัวเองดูแลเอาไว้ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายแต่ไม่ใช่ทอดทิ้งแต่ไม่ใช่ตกเป็นทาสมันนะจิตใจเราเราก็เป็นทาสมันเห็นไหมเราดิ้นรนหาความสุขมาตอบสนองความต้องการของใจแทบตลอดเวลาเลยเดี๋ยวก็อยากดู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 ถ้ามีเมียสักคนหนึ่งก็มีความสุขเลยพอได้มาหนึ่งคนนะถ้ามีสองคนจะสุขกว่า น, นี้อีกอ่ามันจะไปอย่างนี้อีกนะมันจะมีแต่คำว่าถ้าถ้าได้อย่างนี้แล้วจะสุขถ้าได้อย่างนี้แล้วจะสุขลองนึกดูสิเราเป็นอย่างนั้นไหมเราวิ่งหาความสุขทั้งชีวิตเลยพอมีครอบครัวแล้วถ้าเรามีลูกไร้ไรจะมีความสุขมีลูกว่านอนสอนง่ายจะมีความสุข ลูกว่านอนสอนง่ายนะหายากลูกแบบวานอนหาง่ายนะแบบวานอนสอนยากหาง่ายนะความสุขของเราไปอิงกับลูกอยูลลูกต้องอย่างนี้เราถึงจะสุขถ้าลูกไม่ได้อย่างนี้เราไม่สุขอีกแล้วทีแรกก็อิงกับสามีพัญญาเราอิงกับชื่อเสียงอิงกับตาแหน่งอิงกับผลประโยชน์ถ้าได้มาแล้วจะสุขถ้าได้มาแล้วจะสุขเสร็จแล้วมันไม่มี พอแก่มากขึ้นนะมันปวดมันเมื่อยนะเดินไม่ดีก็เครียดนะนั่งนานๆยังเครียดได้เลยเครียดขัดยอกก็จะรู้สึกอีกวันไหนไม่ปวดไม่เมื่อยนะจะมีความสุขรับรองไปดูตามโรงพยาบาลพวกเจ็บหนักๆอ่ะพวกที่เจ็บทรมานมากๆนะหลวงพ่อเคยเห็นเขย่าลูกลงเตียงเลยเมื่อไหร่จะตายสักทีโว้ยทรมานเหลือเกินตายแล้วจะได้มีความสุขไหมท่าตายแล้วจะมีความสุข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 หายใจเข้าก็มีความทุกข์หายใจออกก็มีความทุกข์ใครว่าหายใจเข้าไม่ทุกข์ลองทดสอบดูนะลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆสิท <laughs> ุกข์ไหมลองหายใจไปเอาให้หายใจเข้าสามนาทีนะโอ๊ยเลยเห็นไหมไม่ได้มันทุกข์เห็นไหมหายใจเข้านะแล้วแล้วมันทุกข์นะเราก็ต้องหายใจออกเอาให้หายใจออกอีกสามนาทีไม่ได้เห็นไหมพอหายใจออกแล้วก็ทุกข์อีกแล้วต้องหายใจเข้า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 คนที่หมดความยึดถือในกายน for uh, right? okay. right ี่คือทรงภูมิธรรมของพระอนาคามีพระอนาคามีจะไม่ยึดกายแล้วเพราะงั้นจะไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางกายด้วยเะงั้นเมื่อเวลากระทบรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางกายเนี่ยจิตจะไม่มีความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางกายเพราะงั้นไม่มีกามาราคะและปฏิฆะ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 เหมือนจิตใจจะระเบิดเลยความทุกข์สุดขีดจนกระทั่งใจมันแจ่มแจ้งขึ้นมาขันห้านี้ทุกล้วนๆนี่จะย่างลงตรงไหนมีแต่ทุกล้วนๆเลยใจมันแจ่มแจ้งตรงนี้เรียกว่ามีวิชาล้างอาวิชาได้อวิชาคือการไม่เห็นความจริงของขันห่านี้แหละคิดว่าขันห่านี้สุขบ้างทุกบ้างพอเกิดวิชาล้างอาวิชามันจะเห็นเลยขันห่านี้ทุกล้วนๆนนะ่ะ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 แต่ถ้าสู้ตายตอนนี้นะอินทรีย์เราแก่กล้า พ, พอมันจะสู้ตายตายเป็นตายเลยนะจะตามรู้ตามดูจิตด้วยจิตใจที่เป็นกลางเลยไม่ดิ้นรนเลยหมดการดิ้นรนของจิตนิดนึงก็ไม่มีเมื่อจิตหมดความดิ้นรนนะทั้งๆที่เผชิญความทุกข์อันมห า, าศาลจิตไม่ดิ้นสักนิดเลยจิตไม่ปรุงแต่งนะความปรุงแต่งขาดสะบั้นลงตรงนั้นเลยสังสารวัตรก็คว่ำลงตรงนั้นเลยหังจากนั้นเราจะมีชีวิต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 ปล่อยวางความยึดถือจิตไปแล้วเนะี่ยมีอันเดียวรวดเลยสภาพทั้งหลายเป็นธรรมทั้งหลายเนะมีเพียงหนึ่งเดียวรวดเลยทำฝ่ายปรุงแต่งก็มีอันเดียวรวดนี่เองคือว่างเปล่าอยู่อย่างยิ่งว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนอยู่เนี้ไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่แบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาด้วยจิตใจนะมีแต่ความโปร่งความโล่งความเบามันเป็นความตื่นซึ่งไม่เหมือนที่เคยตื่น เป็นความตื them, in, tumors, boards, ่นที n, Alors, ah ่ไม่หลับของเราที่ผ่านมาหลับหลับตื่นตื่นเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายไปเรื่อยเรืยเวลาดูเข้ามาที่จิตที่ใจตัวเองก็ไม่เห็นว่ามีอะไรภายในภายนอกไม่มีมีแต่หนึ่งยังมีภายในภายนอกยังไม่ใช่ของจริงหลายคนภาวนาแล้วนึกว่าเป็นพระอรหันต์นะมาให้หลวงพ่อฆ่าเรื่อยๆฆาตกรรมพระอรหันต์ไปเยอะแล้ว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 เนี่ยเป็นของเสื่อมงั้นเราภาวนาอยู่ทั่งแม้เหมือนกับมีตัวหนึ่งนิ่งดีตลอดเลยไม่เคยมีกิเลสแทร่พานมาเลยนะเห็นแต่กิเลสอยู่ข้างนอกนอกเห็นแต่ความปรุงแต่งอยู่นอกนอกนี่สิ่งที่พ้นความปรุงแต่งอยู่นี่ความปรุงแต่งอยู่นี่ไม่ใช่ของจริงนะโดนกิเลสหลอกอยู่ถ้าวันใดปล่อยตัวนี้ทิ้งได้เนี่ยไม่มีข้างนอกไม่มีข้างใน ไม่มีธรรมที่เป็นคู่คู่จนถึงจะเป็นของจริงๆเน้จะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยอันนี้ไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงเพราะไม่มีที่จะกระเพิ่มเราจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าจิตใจกับโลกข้างนอกนี้เป็นอันหนึ่งอเดียวกันเลยจิตใจกับโลกทั้งหมดเลยจักรวาลทั้งหมดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในขณะที่ก่อนหน้านี้เราจะรู้สึกว่าจิตของเราเป็นจุดเป็นดวง มีอะไรอยู่ขอบเขตอยู่รู้สึกไหมพวกที่ภาวนารู้สึกไหมจิตเรามีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งอยู่จนถึงจุดที่เราปล่อยวางจิตแล้วจิตไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งมันใหญ่เต็มโลกเต็มจักรวาลเป็นมหักรตะใหญ่เป็นอนุตตระไม่มีอะไรยิ่งกว่าเป็นมหักตะใหญ่ว้างกว้างไรขอบไรเขต เฉนเวลาที่เราจะรู้อารมณ์ต่างๆเนี่ยนะมันจะไม่มีจิตที่วิ่งไปรู้นะพวกเราภาวนารู้สึกไหมจิตเราวิ่งไปวิ่งมาทำไมต้องวิ่งเพราะจิตมันอยู่นี่มันก็เลยต้องวิ่งไปโนนแต่ถึงจุดที่จิตมันเต็มไปหลดแล้วมันจะวิ่งไปไหนอ่ะมันนึกถึงอะไรมันก็สัมผัสต ร, ตรงนั้นเลยมันไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีจุดตั้งต้นไม่มีจุดสิ้นสุดด้วยนะ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 ลองนึกแทบตายนึกไม่ค่อยจะออกนะว่ามันมีความสุขตรงไหนอะ่ะรู้สึกแต่ว่าถึงมันมีความสุขจริงมันก็ผ่านไปแล้วดูแลเหมือนภาพหลวงตาเมืันเราฝันไปชว่วครั้งชว่วคราวอย่างนี้แต่จิตที่เข้าถึงทําแล้วนะมีแต่ความสุขนะมันเทียบกันไม่ได้เลยมีความสุขอยู่ในตัวเราเองเสร็จแล้วความสุขนี้มันก็ล้นออกมานะใครเข้าใกล้ๆก็มีความสุขไปด้วย เขาใกล้ๆก็มีความสุขใค่รู้สึกไม่บางคนเราเข้าใกล้เรามีความทุกข์บางคนน่ะเราเข้าไปใกล้ๆเราอึดอัดเลยเพราะจิตใจเขายังมีโทษมีภัยอยู่นั้นเราภาวนาตัวเองก็จะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นถึงจุดสุดท้ายนี่มีบรมสุขท่านถึงบอกนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขไม่ใช่นิพพานว่างเปล่านะ แห้งแร ง, แรงกันดานไม่ใช่นะนิพานังประมังสุขขังมีความสุขที่สุดเลยแค่เราหัดภาวนาเราก็จะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเป็นลำดับอยู่แล้วยังคนไม่เคยมีสติพอสติเกิดจะมีความสุขนะคนที่ไม่มีสัมมาสมาธิพาสัมมาสมาธิเกิดจะมีความสุขคนที่ไม่เคยรู้ความจริงของรูปนามกายใจพอ ร, รู้ความจริงมีปัญญาขึ้นมาก็มีความสุขอีกคนที่ไม่เคยเข้าถึงวิมุต ความปล่อยวางความหลุดพ้นแล้พอปล่อยได้ก็จะรู้สึกถึงความสุขอีกมันมีความสุขเป็นชั้นชั้นชั้นขึ้นไปนะความสุขมากขึ้นมากขึ้นความทุกข์ห่างหายไปมากขึ้นมากขึ้นเรียนรู้ทุกเรียนรู้ทุก์แล้วมันก็ได้ความสุขมากขึ้นมากขึ้นปล่อยวางทุกได้ทุกคือกายกับใจที่มีความสุขที่สุดเลยเป็นศาสตร์หนึ่งนะเป็นศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มี บอกว่าวัตถุประสงค์ของสารนี้คืออะไรวัตถุประสงค์ของสารนี้คือความพ้นทุกบอกวิธีการที่จะพ้นทุกให้รู้กายให้รู้ใจโดยการมีสติรู้กายรู้ใจรู้สภาวธรรมที่กําลังปรากฏมีสัมมาสมาธิคือใจนั้นตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจะสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่ถลำลงไปรู้ไม่ถลำไปเห็นมึนเกิดปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ พอมีปัญญาแล้วถึงจะปล่อยวางได้เพราะรู้แล้วว่ากายใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆดังนั้นการที่เราเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนะมันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้ถ้าเรายังเห็นว่ากายกับใจนี้เป็นตัวทุกข์บ้างสุขบ้างเราจะปล่อยไม่ได้แต่เราจะดิ้นรนหานความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆแต่พอปัญญาแจ่มแจ้งว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมันจะไม่ยึดถือกายยึดถือใจแล้วเรากลับไปพบความสุขที่อัศจรรย์ที่สุด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 โลกเขามีแต่เกลียดทุกข์กลัวทุกข์ไม่อยากพบไม่อยากเห็นทุกข์พระพุทจ้บอกให้รู้ทุกข์ทุกข์อยู่ที่ไหนรู้มันเข้าไปเลยไปเรียนรู้ความจริงของมันผลที่ได้ก็ต่างกันพวกที่วิ่งหนีทุกข์ก็คือหนีไปทั้งชาติแหะวิ่งหาความสุขก็หาไปทั้งชาติอ่ะจนชาตินี้ก็ไม่พอหานะอย่างที่เล่าให้ฟังคิดว่าตายแล้วคงจะพ้นทุกข์หรืออย่างนี้แต่คนที่รู้ทุกข์นี่สิกลับพ้นทุกข์ได้พ้นจริงๆนะพ้นจริงๆนะ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 อย่าถามนะวันเกิดจะทำอะไรดีเอาว่าไงก็สัปดาห์นี้ค่ะจุนก็เห็นว่าตอนที่รู้แบบรู้เบือ่อๆค่ะมันเหมือนมีอะไรที่รู้ที่เรารู้เบือ่อๆรู้แบบอะไรนะ รู้แบบที่ไม่มีปัญญาค่ะรู้แบบแบบไม่มีแรงอะค่ะเออเวลาที่รู้แบบไม่มีแรงเนี่ยมันเหมือนกับมันมีอะไรที่รู้แบบรู้ตัวนั้นอีกทีอะเออนั่นแหละมันมันไม่ได้เข้าไปคลุกว่าเราเป็นเป็นหนึ่งที่รู้ตัวนั้นเออดีแล้วมันก็เลยเห็นความแตกต่างมันออกมามันก็เลยเห็นความแตกต่างแล้วก็มีกําลังขึ้นก็มีแรงขึ้นมาก็ดีแล้วนะภาวนาย่ําแย่มาสองสามอาทิตย์แล้วค่ะนี่หลวงพ่อคะทีนี้จุนสังเกตเห็นว่า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 มันลืมจงใจอะแล้วตรงนั้นมันเริเกิดแต่ตอนที่สติมันเกิดเองบางทีเวลาที่เรากําลังคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสติเกิดขึ้นมาเองแล้วแล้วไปแค่นี้มันก็พอแล้วใช่ไหมคะแต่ทุกวันต้องซ้อมดูนะค่ะไม่ใช่เอาแค่นี้มากน้อยสันโดดนะอย่างนี้เรียกขี้เกียจทุกวันต้องซ้อมซ้อมดูสภาวะมีจนเห็นตรงที่จิตมันเบลอลงผวางอะค่ะตรงนั้นแล้วพอรู้ตัวเข้าไปเนี่ยมันมี ม, มีความรู้สึกว่าแม้กระทั่งความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็มีความบีบเค้นสั่นสะเทือนอืดูไปอันนี้ไม่ผิดปกติใช่ไหมไม่ผิดนะถูกต้องละ่ะดูไปอย่างนี้เรื่อยๆอจิตมันขึ้นวิถีนะขึ้นมารับอารมณ์เสร็จแล้วก็เบลเบลแล้วก็ลงผวบงังเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่มันมีจิตอีกดวงหนึ่งไปรู้ว่าจิตตะกีเป็นอย่างนี้ขึ้นมาใหม่แล้วเกิดเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยสติก็ไปรู้จิตดวงที่ดับไปมันเห็นไหย ไอ้มันเกิดแล้วก็ดับเสร็จแล้วก็มีจิตอีกดวงหนึ่งมาเห็นไอ้จิตตัวที่ไปรู้เขาที่แร ก, ก น, นะก็วันไหวสั่นสะเทือนเกิดดับเหมือนกัน <c oughs> ก็ดีแล้วดูไปเล่นๆอย่าคิดมากนะ <c oughs> อย่าพ้นคว้านะค่ะ <c oughs> คิดมากยากนาน <c oughs> รีบมาถามก่อนแนละ้วจบตรงนั้นไปเลยแล้วก็ทีหลังดูไปอย่างเดียวรู้ลูกเดียวอา <c oughs> จารย์สุรวัตรก็สอนแต่รู้ลูกเดียวเลยถ้าใครจะยกมือคนต่อไปนน่นคนนั้นยกไวกว่า เห็นนะเบอร์5้าสิบเก้าเนี่ยอันดับสองนะมาเรียนที่นี่ต่อไปไปเป็ น, ปนสอสอสบาย ย, ยกไว <h ills> <c oughs> ยกไว้ก่อนนะยังนึกไม่ออกจะพูดเรื่องอะไรเลยกำมือนจะมาบอกว่าพมาวนาไม่ดีมาเป็นเดือนแล้วค่ะหนองพ่อแล้วทำไงล่ะก็เหมือน <c oughs> อาจจะขี้เกียจด้วยหรือเปล่าก็ <c oughs> <ๆ>ไม่รู้ค่ะสัเกตไม่ใจเราไม่ชอบมันใช่นั่นแหละดูหลงตี่ไม่ชอบนั่นแหละ นะรู้รู้ตัวที่กำลังผลักดันเราอ่าค่ะอ่ะเบอร์ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้านะแล้วค่อยไปหกสิบสองเริ่มปฏิบัติแนวของหลวงพ่อมาระยะนึงแล้วค่ะไม่แน่ใจว่าทำถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกสติไม่ค่อยเกิดนะคะใจมันทื่อๆรู้สึกไหมตอนนี้ใจมันยังทื่อๆนิ่งๆอยู่ยังขมไว้นะขณะ น, นี้รู้สึกเปล่า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 อันที่สองรู้ว่าเผลออันที่สามเลยกดเอาไว้มันสุดตรงสองข้างหนึ่งเผลอไปกับกดไว้ตรงที่มันเผลอเรารู้ว่าเผลอตรงนี้คือรู้ถ้าจากนั้นเรากลัวจะเผลอครั้งใหม่เราก็เลยไปกดเอาไว้แล้วทํายังไงถึงจะหายขมอะคะอย่ากลัวเผลออย่ากลัวเผล อ, อเผลอบ่อยๆงงไหมเนี่ยงงแล้วทําไมไม่ดูว่างงเห็นไหมอ่งงก็รู้ว่างงสิ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 ไห้รู้ทันไปเรื่อยๆใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมเอา้ายังไปคิดอีกแทนที่จะรู้เอามากับโยะมั่ะมากับใครครนี้มามาคนเดียวค่ะมาคนเดียวเหรอ อ, อยู่ที่ไหนเอ่อมากับห้องสมุดธรรมะค่ะห้องสมุดบ้าน อ, อารีอ๋องั้นไปเรียนกับอาจารย์สุรวัตก่อนไปอาจารย์สุรวัตรน่าเก่งนะ ใจมันยังเรายังกวดอยู่เราไม่ได้รู้แต่เรายังข่มไมว<ถ>้ตัวรู้ตัวรู้ยังไม่เกิดเอออย่าตกใจนะ <c oughs> พวกที่เกิดแล้วเกิดแล้วก็หายไปได้นะ <c oughs> อย่าประมาณ <c oughs> อย่างจูนเนี่ยหายไปตั้งสามอาทิตย์แต่หนูเหมือนไม่เคยเกิดเลย <c oughs> อย่า ก, กังวลสิกังวลให้รู้ว่ากังวลหัดรู้สภาวะลงปัจจุบัน ถ้าเมื่อไรรู้สภาวะโลกปัจจุบันปับ๊บก็ตื่นขึ้นมาในขณะนั้นเลยแล้วก็หลับใหม่เนี่ยตอนนี้ใจหนีเข้าไปกวานหามันแล้วรู้สึกไหมส่งใจเข้าไปหาใหญ่จะดูอะไรดีเนี่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมมันเหมือนไม่ตั้งมัน่นไม่ตั้งมัน่นไม่ตั้งมัน่นให้รู้ว่าไม่ตั้งมัน่นไม่ต้องทำให้ตั้งมัน่นเออเนี่ยรู้สึกไหมมันสายไปสามา เห็นไหมมันใสายของมันเองดูออกไหมมันใส่ได้เองยังดูไม่ออกดีแล้วไปเรียนที่อาจารย์สุรวัตรอีกสักพักหนึ่งนะแล้วมาส่งกันบ้านใหม่เอาเบอร์นู้นเบอร์หกสิบสองกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะเออก็ได้ปฏิบัติมาพอสมควรแล้วค่ะแล้วก็ใช้การ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 เนี่ยเรารู้ทันลงไป น, นะถ้ารู้ลงไปมันรักตัวเองเลยกลัวกลัวผีหลอกแต่ว่ากว่าจะหายกลัวผีก็นานนะยากมันต้องสู้อ่ะหลวงพ่อเลิกกลัวผีเพราะว่าหมานะไปได้อาจารย์หมาสอนให้แล้นั้นไปอยู่วังน้ํามอกอยู่กุตินึงมันทางเข้าป่าช้าเลยก็กลางคืนก็กลัวนะเราไปอยู่ใกล้ป่าช้าทับทากอยู่บริษัทตาแหกกลัวที่สุดเลยะ วันหนึ่งก็คืนนั่งภาวนานได้ยินเสียงเดินเดินสบๆพนะมูกลัวมันเดินไปทางป่าช้าด้วยแล้วเดี๋ยวมันก็เดินออกมาอีกโอกลัวมากเลยน ะ, ะตัดใจเด็ดขาดเเอาไฟฉายส่องมันดูหมานี่เองอะ่ะหมาเข้าไปคาบกระดูกมาโอ้ยหมามันไม่กลัวผีใช่ไหมไปวอผีมากิน <c oughs> นักกรรมฐานนี่โอ้ยตัวตัวรัวตั ว, ต ว, ต ว, ต ว, ตวสัน่นเหงื่อแตกเลยนะทั้งๆั้ที่อากาศหนาวเลยออกมาบ้างนี่หมามันยังเดินได้เราก็เดินได้แต่วันแรกไม่ได้เดินเข้าไปกลางป่าช้านะแค่เข้าไปข้างหน้าๆจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะพวกที่กลัวผีอะในขณะที่เห็นผีเนี่ยเราจะไม่กลัวจําไว้นะในขณะที่กลัวจะไม่เห็นหรอก เพราะว่ า, าตอนที่เราไปเห็นเนี่ยจิตเราจะทรงสมาธิอยู่ผีจะกลัวเราเพราะงั้นถ้าไปเจอผีไม่ต้องตกใจนะถึงจิตเรามีสมาธิอยู่เ้ากลัวเราเราไม่ต้องกลัวเขาแต่ถ้าจิตใจเราวัากแวกวักแว ก, ว ก, วกนี้เราก็ไม่เห็นผีหรอกผีก็หลอกเราไม่ได้อยู่คนลมิติกันงั้นอย่าไปกลัวเสียเวลาคนนี้มาแปลกคนทั่วๆไปนะโดนกิเลสน็อกสองตัวเบื่อกับสงสัย คู่นี้ยพอเบื่อแล้วก็ขี้เกียจดูเลยสงสัยแล้วก็ไม่ยอมดูรีบไปคิดหาคําตอบนั้นไม้ตายของกิเลสจริงๆนะคือเบื่อกับสงสัยนี่ร้ายที่สุดเลยเรื่องกลัวเรื่องอะไรนี่เป็นกรณีพิเศษนานๆเจอทีหนึง่งใช้วิธีนี้สิกลัวตรงไหนไปตรงนั้นอกลัวก็คือก็คือที่บอกว่ามองมองให้ดูเลยค่ะว่าไม่มีก็คือเราก็สบายใจเออเอาเอาเอานัา้น <laughs>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 เห็นไหมมันพยายักหน้าอีกแล้วเนี่ยดูไปอย่างนี้รู้สึกไหมใจมันจะโล่งขึ้นโล่งขึ้นนะพวกเราไม่เข้าใจการปฏิบัติขอสติปัฏฐานสติปัฏฐานมีสองขั้นตอนไม่ได้มีขั้นตอนเดียวสติปัฏฐานเนี่ยมีขั้นตอนทำให้เกิดสติการทำให้เกิดปัญญาในขั้นของการทำให้เกิดปัญญาเนี่ยเราจะรู้กายลงปัจจุบันแต่รู้จิตเราจะตามรู้เอา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 เดี๋ยวเอซไปฟังนะฟังแล้วก็สังเกตใจของเราไปเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจถ้าเข้าใจเราสั้นนิดเดียวในการปฏิบัติไม่ยุเดเยอหรอกเดือนสองเดือนเราก็เห็นแล้วว่าชีวิตจิตใจของเราเปลี่ยนไปอย่างคุณมนนี่ประจานหน่อยฟังหลวงพ่อตั้งหลายปีนะฟังไม่รู้เรื่องหรอกเขฟังแล้วก็คิดอุตรุเลยนะไม่ใช่นะอ้าอาจารย์โน้นว่าอย่างนี้อาจารย์นี้ว่ า, าฝึกอยู่อย่างเงี้ยนะวันหนึ่งลองรู้จริงๆดูรู้ซื่อๆดูตอนนี้ก็ภาวนาเป็นแล้ว เป็นนิวมอนสี่ปีฮะกว่าจะเป็นนิวมอนนะสีป่ปีแล้วคนไหนไม่ดื้อ น, นะฟังแล้วก็รู้ไปรู้ไปแป๊บเดียวก็เป็นอย่างนี้ก็เร็วไม่ถึงปีเลยพวกนี้จูนแข็งขึ้นไมาแล้วจูนใช้ไม่ได้แล้วอ้าหลวงพ่อพูดเกินเวลาไปแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อไปไม่